อุโปสถาทิปุชาวิสัชนาคำถามคำตอบเรื่องอุโบสถเป็นต้นอาทิมัชชะปุจชนะว่าด้วยคำถ า, ถามถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด3อถามอุโบสถกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุด ปวรณามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตัชนียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดนิยสกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดปับภาชนียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุด ปฏิสารณียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดอุเขปนียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการให้ปริวาสมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นถ้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดการชักเข้าหาอาบัตเดิมมีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการให้มานัดมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดอับพานมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดอุปสำปทากรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุด การระงับตัดชนียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการระงับนิยสกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการระงับปับพาชนียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการระงับปฏิสารณียกรรม มีอะไรเป็นเบื ivities, ้องต้ น, ม, น delicate, มีอะไรเป็นท่นามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการระงับอุคเขปนณิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดสติวินยัยมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดอโมรหาวินัยมีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตัสปาปิยะสิกามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตินวัฏฐากะมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมุติให้เป็นผู้สอนภิกษุณีมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุดการสมมุติไม anyway> ่อยู่ปราศจากไกลจีวรมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมุติสันถัดมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมุติทิ้งรูปียะมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลาง มีอะไรเป็นที่สุดการสมมุติให้รับผ้าสาดมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมุติให้รับบาทมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมุติไม้เท้ามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุด การสมมุติสาแหกมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดการสมมุติไม้เท้าและสาแหกมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดอาท <anan> ิมัชตะวิสัชนาว่าด้วยคำตอบถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด3สา ถามอุโบสถกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบอุโบสถกรรมมีสามัคคีเป็นเบื้องต้นม <like S 1> <förs immigration? S 2> ีการกระทําเป็นท่ามกลางมีความสําเร็จเป็นที่สุดถามปวารณามีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุด ตอบปวารณามีสามคีเป็นเบื้องต้นมีการกระทาเป็นท่ามกลางมีความสำเร็จเป็นที่สุดถามตัชนียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบตัชนียกรรมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุด ถามนิยสกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่าำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบนิยสกรรมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่าำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามปบพาชนียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่าำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบ ปพาชนิยกรรมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียัติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามปฏิสารณียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบปฏิสารณียกรรมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามอุคเขปนิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบอุคเขปนิยกรรมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการให้ปริวาทมีอะไรเป็นเบื้องต้น มีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการให้ปริวาสมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการชักเข้าหาอาบัติเดิมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบ การชักเข้าหาอาบัติเดิมมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียัติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการให้มานัดมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการให้มานัดมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้น มียัติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามอัภานมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบอัภานมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามอุปสมปทากรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบอุปสัมปทากรรมมีบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการระงับตัชนียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบ การระงับตัชนิยกรรมมีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการระงับนิยสกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการระงับนิยสกรรมมีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการระงับปรบภาชนิยกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการระงับปรปภาชนียกรรมมีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการระงับปฏิสารณียกรรม มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่าำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการระงับปฏิสารณียกรรมมีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้นมียติเป็น่าำกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการระงับอุกเขปนียกรรมมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็น่าำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบ การระงับอุคเขปนิยกรรมมีความประพฤติชอบเป็นเบื้องต้นมียัติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามสติวินยัยมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบสติวินยัยมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามอมูระหาวิไนมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบอมูระหาวิายัยมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามตัดสปาปิยศสิกา มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบตัสปาปิยสิกามีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามตินวัฏฐากะมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบตินวัฏฐากะ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 เป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมุติไม่อยู่ปราศจากไครจีวรมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมุติไม่อยู่ปราศจากไครจีวรมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุด ถามการสมมุติสันถัดมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมุติสันถัดมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมุติทิ้งรูปิยะมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบ การสมมติทิ van, ้ง hey, ร okay, okay. okay, okay, okay, so ูป e hmm. ียะมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียัติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมติให้รับผ้าสาดมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมติให้รับผ้าสาดมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลาง มีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมุติให้รับบาตรมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่ามกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบการสมมุติให้รับบาตรมีวัตถุและบุคคลเป็นเบื้องต้นมียติเป็นท่ามกลางมีกรรมวาจาเป็นที่สุดถามการสมมุติไม้เท้ามีอะไรเป็นเบื้องต้น